เอ่ยชื่อสัตยานเดเดลาหลายคนคงไม่รู้จักกันะแต่ถ้าเอ่ยชื่อ Microsoft นี่ส่วนใหญ่ก็รู้จักดีนะสตยานเดเดลานี่ตอนนี้ก็เป็นซ e o ของ Microsoft ์เขาเล่าว่าเนี่ยตอนที่เขาสมัครทำงานที่อ Microsoft เนี่ยซึ่งก็คงยะ30ปีมาแล้ว พขอก็ได้รับเชิญไปสัมภาษณ์โดยฝ่ายบริหารคนหนึ่งและคำถามเนี่ยหลายคำถามก็เกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องงานที่เขาอยากทำแต่มีคำถามหนึ่งไม่เกี่ยวงานเลยนั่นคือคำถามว่าเนี่ยถ้าเกิด ว, ว่าคุณอยู่บนถนนและเห็นเด็กกำลังร้องไห้อยู่กลางถนนเนี่ยคุณจะทำอย่างไร สัตยาก็ตอบทันทีเลยผมก็จะโทร911เรียกตำรวจเพื่อให้มาช่วยเด็กคนนี้ผู้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้ว่าอะไรจนจบการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์เนี่ยก็บอกสัตยาว่ า, าคุณควรจะปรับปรุงตัวเองนะในเรื่องความรู้สึกเห็นใจคนที่เขาทุกข์ยาก แต่แกพูดต่อไปว่าเนี่ยสิ่งที่คุณควรทำเมื่อเห็นเด็กอยู่ในอันตรายและกำลังร้องไห้เนี่ยก็คือเข้าไปกอดและอุ้มเข้าไว้ก่อนที่จะโทรเรียกตำรวจเนี่ยเพื่อทำให้เขารู้สึกปลอดภัยเสียก่อนสัตยาบอกนี่เป็นเป็นคำแนะนำที่เขาจำได้ไม่ลืมเลยแล้วก็เชื่อว่าเขาคงจะนำไป ปรับใช้กับตัวเองแล้วคุณมีส่วนทำให้เขาประสบความสำเร็จในการงานจจทํางการเป็น c e อีโเป็นคนที่มีเชื้อสายอินเดียนะที่มีตำแหน่งสูงมากสิ่งที่ผู้บริหารแนะนำเขาเนี่ยก็คือว่าอย่าใช่แต่ความคิดอย่างเดียวให้ใช้ความรู้สึกด้วย สตยาเนี่ยเขาใช้ความคิดก่อนเลยนะพอเจอคำถามหรือเห็นเหตุการณ์แบบนี้ความคิดนั้นคือว่าต้องโทรเรียก้า1เอาแต่ว่าสิ่งที่ผู้บริหารได้นำเสือให้เขาใช้ความรู้สึกก่อนเพอาะ้ให้ความรู้สึกเนี่ยก็จะรับรู้ถึงความทุกข์ของเด็กคนนี้แล้วรู้ว่าสิ่งที่ควรทำเนี่ย ก็คือการเข้าไปกอดเด็กคนนี้หรืออุ้มเด็กคนนี้เอาไว้ซึ่งจะว่าไปก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วล่ะก่อนที่ตำรวจจะมานี่ก็ต้องทำให้เด็กเขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยซะก่อนอันนี้ดูมันดูมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการงานเลยนะแต่ว่ามันเป็น สิ่งสำคัญของชีวิตเลยก็ว่าได้เรื่องกโยมเป็นเรื่องการงานด้วยปัญหาบางอย่างเนี่ยก่อนที่จะใช้ความคิดนี่ต้องใช้ความรู้สึกก่อนและบางครัง้งต้องใช้ความรู้สึกนำความคิดด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะ เพราะว่าคนในยุคนี้เนี่ยเราถูกสอนให้ใช้ความคิดมากและเราก็ไม่ค่อยได้รับการกล่อมเกลาหรือพัฒนาความรู้สึกเท่าไหร่เวลามีปัญหาอะไรก็ใช้ความคิดนำ ความรู้สึกก็มาทีหลังแล้วบางทีก็รู้สึกก็มองว่าความรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าเวลาพูดถึงความรู้สึกก็เราก็นึกถึงความโกรธความเกลียดความโลภความอิจฉาจังที่ความรู้สึกส่วนที่ดีมันก็มีเช่นความเห็นอกเห็นใจความเมตตากรุณารวมทั้งความอดทนอดกลั่นคนเราเนี่ยถ้าว่าเราใช้ แต่ความคิดหรือเอาความคิดเป็นตัวนําในทุกเรื่องจนมองข้ามความรู้สึกหรือไม่ใช้ความรู้สึกเลยเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลเสียนะเพราะว่าความคิดเนี่ยมันมักจะวนเวียนอยู่กับเรื่องความถูกต้องความถูกความผิดเวลาพูดถึงความคิดเนี่ยมันก็จะเราจะไปวนเวียนเรื่องความถูกต้องความถูกความผิด ซึ่งในบางครั้งเนี่ยไอ้เรื่องถูกผิดนี่มันต้องเอาไวท้ทีหลังแต่ว่าความรู้สึกเช่นความรู้สึกรับรู้ถึงความทุกข์ของผู้อื่นหรือความรู้สึกชั่ึกเห็นใจอาจจะต้องมา ก, ก่อนอย่างเช่นเวลามีคนที่มีความทุกข์มากเนี่ยมีความเศร้าเสียใจยหรือมีความ รู้สึกซึมเศร้าอย่างแรงแล้วก็จกนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยถ้ า, าความคิดเป็นตัวนำเนี่ยมันก็จะบอกว่าอย่าทำอย่าทําทํานี้ไม่ดีมันเป็นบาปนะหรือว่าทําแล้วตกนรกนะหรือว่าจะนักว่าวเนี่ยคนที่เขาทุกข์กว่าเธอมีต้องเยอะแยะนี้เรื่องขอใช้ความคิดเป็นตัวนํา แต่ในสถานการณแบบนี้ควรใช้ความรู้สึกนะคือรับรู้ถึงความทุกข์ของเขาใช้ใจรับรู้เมื่อรับรู้ถึงความทุกข์ของเขาแล้วเนี่ยก็มันก็จะเกิดความเมตตากรุณาหรือว่าจะเกิดตระหนักว่าเนี่ยในยามนี้เนี่ยสิ่งที่ควรทำไม่ใช่แนะนำสั่งสอนหรือชี้ถูกชี้ผิดนะแต่ว่าเป็นการให้กำลังใจเขาเป็นเพื่อนเขา ให้เขารับรู้ว่ามันมีมเราอยู่เป็นอยู่เคียงข้างเขาอันนี้มันดีกว่านะดีกว่าการไปแนะนำสั่งสอนชี้ถูกชี้ผิดซึ่งมันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดหรือพ่อแม่บางทีเจอลูกนะมาสารภาพว่าเนี่ยลูกสาวนี่ท้องในวัยเรียนลูกสาวก็รู้สึกเสียใจมากว่าผิดพลาดไปแล้วพ่อแม่บางคนนี่ ใช้ความคิดนะพอใช้ความคิดเข้าก็เห็นเลยนะลูกเนี่ยทำเนี่ยมันผิดมันใช้ไม่ได้ก็ต่อว่าลูกนะคิดอย่างนี้ได้งไงปล่อยไปลยแล้วเลยไม่รู้ถูกรู้ผิดเลยหรือไงแต่ว่าการพูดอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีแต่ทําซ้ําเติมเด็กเพราะว่าเขาเองก็เสียใจอยู่แล้วสิ่งที่ต้องการก็คือความเข้าอกเข้าใจ ความไม่เหนเห็นใจการให้อภัยแล้วก็กำลังใจถ้าพ่อแม่ใช้ความรู้สึกเนี่ยก็จะรู้ว่าเนี่ยควรจะพูดกับลูกอย่างไรไม่ใช่เทศนาสั่งสอนแต่ว่าให้กำลังใจเขาแลบอกเขาว่าพร้อมจะอยู่เคียงข้างเขาหรือว่าพร้อมจะรักเขาไม่ว่าเขาจะผิดจะพลาดยังไง พ่อแม่ก็ยังรักลูกอยู่ในคำแนะนำนี้ที่มันเหมาะกับลูกที่พลั้งเผลอไปแต่จะพูดอย่างนั้นได้ต้องอาศัยความรู้สึกนะไม่ใช่ใช้ความคิดเพราะความคิดเนี่ยมันก็จะเวียนอยู่กับเรื่องของความถูกความผิดความเหมาะความควรซึ่งก็มีประโยชน์นะแต่ว่าในบางสถานการณ์เนี่ยมันไม่ช่วยเท่าไหร่ แตบางทีความคิดมันก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องของประโยชน์ประสิทธิภาพนะหรือว่าความคุ้มค่าอาจจะรวมไปถึงว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เวลาเจอคนที่เขาเดือดร้อนอย่างเช่นมีคนมาของเงินเป็นคนที่เราไม่รู้จักมาของเงินเพราะว่า ไม่มีเงินกลับบ้านพ่อแม่ป่วยหนนะักถ้าเราใช้ความคิดเนี่ยเราก็า จ, จะตั้งข้อสงสัยนะไว้ไอ้นี่มันมาหลอกเราหรือเปล่ามันมีความเสี่ยงมากนะในการที่ให้เงินเขาไปแล้วก็สูญไปเพราะว่าจจะเอาไปกินเหล้ า, าไปซื้อยาไอ้ความคิดแบบนี้นก็ดีนะแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้ความรู้สึกเสียเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเรียกว่าใจดา หรือว่าปิดโอกาสที่จะช่วยเหลือคนซึ่งก็จะมีความทุกข์จริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยจะใช้แต่ความคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ความรู้สึกด้วยความคิดนี่บางครั้งเราก็ใช้กัาว่าหัวนะคือหัวสมองส่วนความรู้สึกเราก็อุปมามันกระจย ผู้ยังคือว่าเราจะใช้แต่หัวยังเหียวไม่พอต้องใช้ใจด้วยล้วมันไม่ใช่แค่ว่าถ้าเราใช้แต่หัวไม่ใช้ใจจะทําให้เราไม่สามารถจะรับรู้ความทุกข์ของผู้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆซึ่งบางครั้จะเป็นคนใกล้ชิดกับเราเป็นลูกหลานของเราเท่านั้นนะแต่มันยังทําให้เกิดปัญหากับตัวเราเองด้วย เพราะว่าแม้จะมีความคิดที่ฉลาดปาดเปลืองนะหรือใช้หัวเป็นตัวนำแต่ว่าถ้าใจเนี่ยไม่ได้รับการพัฒนามันก็ง่ายนะที่เราจะพ่ายแพ้ต่อสิ่งรอเราเย้ายวนในสิ่งรอเราเย้ายวนเนี่ยมันมันไปกระทบที่ใจของเราโดยตรงเลยเย้ายวนให้เราอยากได้ อยากมีอยากเป็นหรือยัย่วยุให้เราโกรธคนสมัยนี้เนี่ยนะแม้จะมีความคิดมีเหตุมีผลรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องแต่ว่าสมัยจึงเผลอหรือหลงไปทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเป็นโทษแก่ตัวเองเช่นติดยาติดการพ น, นันหรือว่าทำบาปทุจริตหรือว่า ใช้เงินซื้อน่นซื้อนี่จนกระทั่งเป็นที่เป็นสินมากมายซื้อไม่เลิกหยุดไม่ได้ก็รู้นะว่ามันไม่ถูกแต่ห้ามใจไม่ได้เพราะจิตใจอ่อนแออย่างที่เขาพูดเนี่ยดีช่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ก็หมายความว่าเนี่ยแม้จะรู้เยอะนะแต่ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งจิตใจอ่อนแอ อันนี้ก็เพราะว่าเราไม้จะเป็นการศึกษาหรือว่าวิถีชีวิตหรือสังคมเนี่ยเาก็เป็นเน้นเรื่องการใช้ความคิดการพัฒนาความคิดหรือว่าการพัฒนาหัวเน้นที่การฝึกหัวให้คิดเก่งคิดไวแต่ว่าไม่ได้เน้นเรื่องการฝึกใจหรือการพัฒนาอารมณ์พัฒนาความรู้สึก อย่างที่บอกไว้แล้วความรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงเฉพาะความโกรธความเกลียดความโลภอย่างเดียวมันรวมไปถึงความมีเมตตากรุณาความรู้สึกเห็หนอกเห็นใจความอดทนอดกลั้นรวมทั้งการมีสติด้วยนั้นถึงแม้ว่าเราจะคิดเก่งนะแต่ว่าถ้าใจเราอ่อนแอมันก็ ไม่สามารถจะพาตัวพาชีวิตไปในทางที่ถูกต้องได้อย่าว่าแต่ช่วยคนอื่นเลยนะแม้กระทั่งช่วยตัวเองเอาตัวไม่รอดแต่ถ้าเกิดว่าพัฒนาความรู้สึกหรือพัฒนาอารมณ์ให้มีเมตตากรุณามีความอดทนอดกลั้นมีความยับยั้งชั่งใจนะมีสติมีสมาธิพวกนี้ก็ช่วยทําให้ ไม่ว่าคิดอะไรแม่รู้ว่าถูกเมื่อรู้ว่าถูกก็สามารถทำสิ่งที่ถูกได้ไม่ใช่ว่ารู้ว่าถูกแต่ทำไม่ได้เพราะว่าพ่ายแพ้ต่อสิ่งร่ำเราย่อยวนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการาพัฒนาความรู้สึกหรือพัฒนาอารมณ์นะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามไป ในสังคมปัจจุบันเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้แต่หัวแต่ไม่ใช้ใจหรือว่าใช้แต่ความคิดแต่ไม่ใช้ความรู้สึกรวมไปถึงว่าเป็นเน้นแต่การพัฒนาความคิดคิดเก่งคิดได้ทนคิดได้ถือทั่วรอบครอบ แต่ว่าไม่ได้พัฒนาอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าไม่ได้พัฒนาใจมันก็ทำให้ไม่สามารถจะนำพาชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือมีความสุขได้ดยนี้เนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงเน้ น, นทั้งเรื่องของการพัฒนาความคิดและอารมณ์ความรู้สึก ไม่ได้เน้นแต่หัวแต่ว่าให้ความสําคัญเรื่องของใจด้วยอย่างการศึกษาเนี่ยนะก็จะไม่ได้ศึกษาแต่เฉพาะเรื่องปริยัตนะแต่ว่าศึกแต่มีการฝึกเรียกว่าปฏิบัติอย่างพระนี่เราจะไม่ได้สนใจแต่คันธทุระนะแต่ว่าทําใส่ใจวิปัสนาทุระด้วยไอปริยัตนี่มันเป็นเรื่องของความคิดเรื่อ ง, องหัวซึ่งก็สําคัญนะ เราก็ควรจะมีความรู้นะว่าพู้เจ้าสอนอะไรรู้หลักธรรมต่างๆให้กระจ่างชัด อ, อันนี้เป็นเรื่องของปริยัติรู้เรื่องของอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทรู้เรื่องใตรักนะมักมีองค์แแต่ไม่พอทลต้องปฏิบัติ ด, ด้วยในการปฏิบัตินั่คือการพัฒนาโดยเฉพาะด้านของ ใจคืออารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าการเจริญสติการทำสมาธิเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของใจนะถ้าเรามีการพัฒนาด้านสติด้านสมาธิเนี่ยมันก็ช่วยไปทวงดุลกับความคิดหรือว่าไปเสริมความคิดได้ทวงดุลความคิดหมายความว่าเวลาคิดฟุ้งไปอ่าก็มีสติ คอ ย, ยับยั้งไม่ให้คิดฟุ้งปรุงแต่งหรือว่าบางทีคิดมากจนนอนไม่หลับก็มีสติทำให้รู้จักวางความคิดได้หรือวมิฉะนั้นก็ไปเสริมความคิดที่ดีนะความคิดเช่นเรื่องของความรู้ความเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดนะแต่ว่ามันไม่พอมันต้องมีความคิดไปมันต้องมีความรู้สึกเป็นหนุนด้วยเช่นสติสมารถเมตากรุณาคันติพวกเนี้ย เป็นเรียกว่าเป็นภาระนะเป็นส่วนของพละห้าในการที่จะไปช่วยทำให้ความคิดที่ถูกเนี่ยมันเกิดผลที่เป็นจริงขึ้นมาได้ไม่ใช่คิดดีคิดเก่งคิดถูกแต่ทําไม่ได้เพราะว่าใจมันไม่ไปใจมันไม่ให้ใจมไม่ยอมรับดังนการที่เรารู้เยอะนะรู้ทำเยอะเนี่ย หือแม้กระทั่งมีความเห็นถูกเนี่ยบางทีมันก็ยังอยู่ในระดับของหัวนะมาต้องลงให้ไปถึงใจด้วยชาวพุทธสมัยก่อนเนี่ยนี่ยความรู้ก็ไม่เยอะนะอาจจะไม่ค่อยมีความคิดที่ละเอียดละอ่อนในเรื่องของข้อธรรมหลักธรรมเท่าไหร่บางทีก็รู้แค่ว่าศีลหคืออะไรแต่ว่าถามเรื่องไตรลักษณ์ถามเรื่องปฏิจจสมุปบาทถามเรื่องอริสัตย์สี่ไม่รู้เลยแต่ว่า เขาเป็นชาวพุทธนะไม่ใช่ที่หัวนะที่ใจหมายความว่าเนี่ยเวลาเกิดความสูญเสียมีคนรักล้มหายตายจากเขาก็ไม่ร้องหฮมร้องไห้เขายอมรับได้มันเป็นอนิจจังเราจะไม่รู้เรื่องทุกขังอนาตาัตตาเนื้อรั้วเนี่ยมันเป็นอนิจจังอย่างชาวบ้านเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้ค่อยรู้เยอะเทไหร น, นะความคิดเขาก็ไม่ได้ซับซอ้อนเรื่องพุทธศาสนาแต่ว่าเวลาสูญเสียเขาก็ คำใจได้วางใจได้เวลาเจ็บป่วยเขาก็ยิ้มได้นี่เลย ว, ว่าเป็นชาวพุทธที่ใจนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นชาวพุทธที่หัวเมื่อรัชสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยนะมีหมอสอนศาสนาคนหนึ่งนะที่มีชื่อมากชื่อหมอบรัดเลหมอบรัดเลเนี่ยเป็นคนที่นำเอาวิทยาการของฝรั่งเนี่ยมาเมืองไทยหนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยก็ หมอบัลเล่เนี่ยเป็นบรรณาธิการนะนังสือวิจารณบแรกในเมืองไทยเนี่ยการปลูกฝีฉีวัคซีนเนี่ยหมอบัลเล่ก็นำมาแต่หมอบัลเล่เนี่ยก็เป็นคนที่เคร่งศาสนาด้วยนะเป็นหมอศาสนาศาสนาคริสต์แบบโปรเตสแตนต์ศาส น, น, นสาศาสนาคริสต์แบบโปรเตสแตนต์นี่นเขาจะมีข้อห้ามหลายอย่างนะเช่นการไม่นับถือรูปเคารพในยุโรปเนี่ยรูปเคารพใน ในโบสถ์เนี่ยของฝ่ายคริสต์คาทอลิกนี่พอโปรเตสตันมาเป็นใหญ่นี่็เขาทำลายหมดเลยนะรูปคำรบเนี่ยรูปพระเยซูรูปพระแม่มารีรูปนักบวชทั้งหลายแม่มองวันเล่เนี่ยพอมาเมืองไทยเนี่ยก็ขัดใจมากนะที่คนไทยเนี่ยกราบไหว้พระพุทธรูปหมอหวนเล่นี่สอนศาสนาไม่ได้สอนศ า, า, าสนาคริสต์อย่างเดียวแต่พยายามชักชวนคนไทยชอบพูดให้ยก ให้ยกเลิกนะการนับถือพระพุทธรูปมีวันหนึ่งก็ไปไปยืนจะเรียกว่าอะไรไปเทศนาสั่งสอนหรือประท้วงด้วยก็ได้หน้าร้านสังขพันฑ์เถวพระยาเถววัวสุทธัตถ์เนี่ยตอนนั้นวัาน น, นมีร้านสังขพันธ์เยอะแถวาสาวชิงชาเนี่ยเาก็ยืนแล้วก็อยู่หน้าร้านแล้วก็ต่อว่า นะเจ้าของร้านที่ขายเครื่องสังกัดพันต่อว่าพุทธศาสนาต่อว่าชาบพุทธิบไว้นับถือไหว้พระพุทธรูปเจ้าของร้านแกก็อยู่ในร้านแกก็นั่งฟังนะแกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะจนกั่งหมอใบเล่นนี่เหนื่อยเนะพราะตอนนั้นยุ่งมากแล้ววันนั้นมันก็ร้อนนะแดดร้อนหมอใบเลืน่นหมอใบเล่นเหนื่อย เจ้าของร้านก็เลยชวนหมอบัรเละมาเข้ามาในร้านมาพักร้อนพักร่มในร่มเงาแล้วก็หาน้ําให้กินโอไม่มีทีท่าโกรธเกลียดหมอบัรเละเลยนะช่างที่หมอบัรเละนี่มาโจมตีพุทธศาสนาไม่มีความโกรธเกลียดเลยมีแต่ความเป็นมิตรพอหมอบรรเละหายเหนื่อยหายร้อนแล้วก็ถึงค่อยถามว่าทําไมถึงพูดอย่างนั้นอันนี้เป็นก็เป็นเกร็ดต่อหนึ่งนะที่เขาเล่ากันนะเกี่ยวกับประวัติหมอบรรเละ ซึ่งฝรั่งเขาอ่านดูแล้วเขาก็ทึ่งเลยนะชอบพุทธเนี่ยชอบพุทธไทยนี่มีน้ำใจมากแม้กระทั่งมีคนมาต่อว่ า, าศาสนาของตัวก็ยังไม่โกรธไม่เกลียด น, นะแถมมีน้ำใจเชื้อเชิญให้มาพักในร้านมากินน้ำด้วยนี่เป็นตัวอย่างนะงคนที่เป็นชอบพุทธด้วยใจนะ ไม่ใช่เป็นชาวผู้ได้ความคิดหรือว่ไม่ได้เอาความคิดเป็นตัวนําเพราะถ้าเอาความคิดเป็นตัวนำนั้นมันจะก็จะรู้สึกว่าก็จะคิดเลยนะว่าเนี่ยหมอเบลเลย์มันแย่มากนะมาว่ า, าศาสนาของฉันได้ยังไงยังมีความรู้สึกเรื่องของถูกผิดนี่เข้ามาตัดสินการกระทําของหมอเบลเลย์ถ้าอาความคิดเป็นตัวนํานะแต่ว่าเจ้าของร้านนี้เขาไม่ได้มีท่าทีแบบนั้นเลย ใช้ความรู้สึกเป็นตัวนาก็คือว่ามีเมตตากรุณานะต่อคนแก่อย่างหมอบัตเล่เนี่ยการเป็นชอวพุทดธ ด, ด้วยใจเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่คนสมัยนีย้อาจจะเข้าใจยากนะเพราะว่าเดนี่ยเป็นเนเรื่องเราเป็นเนเรื่องความคิดมากในเรื่องความถูกความผิดในเรื่องข้อธรรมแต่ว่าพอถึงเวลาปฏิบัติจริงๆก็ ทำยากเพราะว่าขาดเมตตากรุณาขาดความเห็น อ, อกเห็นใจเอาความถูกความผิดเป็นหลักจริงเรื่องความคิดก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะความคิดมันนําไปสู่เหตุผลนําไปสู่การรู้อะไรควรอะไรไม่ควรแต่ว่าเราก็จะเป็นเน้นแค่นั้นต้องมาเน้นหรือมา ให้ความสำคัญของเรื่องของการพัฒนาใจหรืออารมณ์ความรู้สึกด้วยบาที่เรามาทากรรมฐานม า, านมจเจริญกรรมฐ า, านเนี่ยมันก็คือการพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกนะบางที่นีเราอาจจะไม่ค่อยเน้นเรื่องของวิชาวความรู้ทางพุทธศาสนามากแต่เราเน้นเรื่องการฝึกนะพัฒนาด้านอารมณ์พัฒนาด้านจิตนะ ใจสืขาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยตัวสมาธิเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตพัฒนาอารมณ์พัฒนาความรู้สึกเช่นมีเมตตากรุณานมีมุทิตาเวลาใครได้ดีก็มีมุทิตาไม่อิจฉาอะไรที่ทำเต็มที่แล้วทำไม่ได้ไม่ประสบผลก็อูเบคานะ มีขันติมีความอดทนและที่สำคัญคือมีสติสตินี่มันก็ช่วยกล่อมเกาอารมณ์นะทำให้เราไม่หงหันพลั้นไม่เป็นท่ายของความโกรธนะไม่ปล่อยให้อารมณ์ที่เป็นลบเป็นอกุศลมาครอบงำแถมปรุงแต่งเหตุผลเป็นข้ออ้างในการสนองกิเลสหรืออัตตาเพราะว่าไอ้อารมณ์พวกนี้ถ้าไม่พัฒนานะมันก็สามารถจะไปจับจอง ผัวของเราเราก็พัฒนาหรือหาสรรหาข้ออ้างที่เป็นเหตุเป็นผลว่าทําไมควรจะกินงเล่าทําไมควรจะเล่นการพ น, นันทําไมควรจ ะ, ะทุจริตคอรัปชันหรือทําไมควรจะด่ามันอ้างเหตุผลเพื่อสั่งสอนมาแต่ที่จริงเนี่ยเพื่ อ, อตอบสนองโทส ะ, ะมันก็มีข้ออ้างเยอะนะอาศัยเหตุผลหรือความคิดนี่แหละ เพื่อมาเป็นเพื่อสร้างข้ออ้างในการสนองอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นโลภราคะโทสะแต่ถ้าเรามีสตินะอออารมณ์พวกนี้เนี่ยหรือกิเลสพวกนี้มันก็จะมายึดครองจิตใจมาบงการสรรสร้างเหตุผลข้ออ้างมาล่อให้เราหลงนี่ไม่ได้มันก็เรียกว่าทำให้ ความคิดของเราเป็นความคิดที่จะเรียกว่าถูกต้องเหมาะสมหรือบริสุทธิ์ก็ได้ไม่ได้เจอด้วยกิเลสแล้วขณะเดียวกันก็เมื่อคิดถูกคิดดีแล้วก็สามารถจะทำตามความคิดให้ได้นะไม่ใช่ว่าดีช่วร่วมหมดแต่อดใจไม่ได้ทําสิ่งตรงข้ามกับความถูกความความเหมาะความควร รวมทั้งถึงเวลาสูญเสียพัดพลาด ก, ก็ทำใจได้ไม่ใช่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นรู้ทั้งร้อยรู้เต็มที่เลยแต่พอสูญเสียแม้จะเล็กน้อยเช่นเงินหายไม่กี่ร้อยก็โมโหเสียดจอันนี้แล้วว่าเป็นพุทธที่หัวแต่ว่าไม่ได้เป็นพุทธที่ใจคือทำใจไม่ได้ ทั้งที่รู้หมดนะว่าควรปล่อยควรวางแต่ว่าทำใจไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกนะพัฒนาอารมณ์พัฒนาความรู้สึกเนี่ยเมื่อความเมื่อรู้ว่าเนี่ยไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้ใจมันก็พล่อยคล้อยตามไปด้วยนะมีรายสูญเสียพัดพร่ามก็ไม่สศกเสียใจปล่อยวางได้นะไม่ปรุงแต่งให้กลายเป็นความโกรธหรือเป็นความโศกความเศร้าเพราะนั้นเนี่ย เรื่องของการสร้างความสมดุลให้เกิดระหว่างความคิดและอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสิ่งจำเป็นอย่าพัฒนาแต่ความคิดหรือว่าอย่าเน้นแต่หัวแต่ให้พัฒนาอารมณ์ความรู้สึกหรือในเรื่องใจด้วยเพื่อให้มันสมดุลกัน